วันนี้เป็นย่างเข้าระดูฝนเป็นวันแรมค่ำึ่งเดือนแปดตามหลักพระยินไนพระสงฆ์พิบุบริษัทก็อธิษฐานพรรษากันในวันนี้เรียกว่าวันนี้เป็นวันเข้าพรรษาด้วยความ ตั้งอกตั้งใจจงใจจริงๆว่าจะอยู่ในสถานที่ที่ตนจาพันาอธิษฐานจําพรรษานั้นตลอดสามเดือนไม่มีเหตุจําเป็นใดๆจะไม่หนีไปแรมวันแรมคืนที่ไหน ข้อยกเว้นก็คือสัตว์งานที่จำเป็นที่ควรจะสัตตาหะกรณียกิจไปได้ภายในเจ็ดวันเช่นวิดามันดามุปาชาอาจารย์เจ็บไข้ได้ป่วยตมหาสัตว์รงนิมนต หรือวัดวาวากชมุดเช่นสลาเป็นต้นห <c oughs> าที่พักที่อยู่ไม่ได้แล้วในวัดนั้นไม่มีพระปาติโมกันนี้ก็ให้ออกไปเรียนสัตหะไปเรียนได้ภายในเจ็ดวันแล้วกลับมาอย่างน้อยค้างคืนหนึ่งคืนแล้วค่อยไปอีกไปเรียนปาติโมก การหาทัพประสัมภะต่างๆมาซ่อมกุตติเรื่อซ่อมสราระี่ชำรุดพุทโซมก็ไปได้ภายในเจ็ดวันวันเช็ดเดวเช่นเดียวกันน <c oughs> ี่ครั้งพุทธการท่านดำเนินมาอย่างนั้นมีพุทธบัญญัติไว้อย่างนั้น ถรามันมีเหตุจำเป็นอะไรจะไปแบบทะเลถลายไม่มีกดมีเกณฑ์ไม่มีหลักธรรมหลักวินยัยทั้งๆ ท, ท, ที่หลักธรรมวินัยมีอยู่อย่างนั้นก็เรียกว่าพระจรจัดพระโกโลโกโศหาเหตุหาผลไม่ ไ, ด, ไมด้อย่างนั้นไม่ดีอย่างยิ่งหลังหลักวัดนี้ ก็เคยปฏิบัติกันมาดังที่ทเป็นมาแล้วไม่ให้เป็นอย่างนั้นเป็นอันขาดหากมีความจำเป็นจะไปในกิจใดการใดงานอันใดด้วยความจำเป็นใดก็ต้องศึกษาปรารถกกับครูกับอาจารย์ที่ตนอาศัยอยู่ก่อนแล้วค่อยไป นอกจากท่านมีกิจจำเป็นออกนอกวัดไปแต่เรื่องราวไม่เกิดขึ้นหลังจากท่านที่ไปแล้วท่านไปแล้วยังไม่กลับมาแต่เป็นความจำเป็นที่รีบด่วนอันนั้นก็ต้องได้บอกกับพระที่รองกันลงมาเพื่อให้รับทราบในกิจการจำเป็นของตนอันเป็นเรื่อง ท, ที่งามสำหรับพระเรานอกจากนั้นก็ไม่มีอะไร ในอาวาสที่เป็นเมื่อสักครู่นี้ก็หมายถึงกำแพงวัดเฉพาะวัดป่าบ้านตายเรานี่เป็นขอบเขตแห่งอาวาสที่จะต้องอยู่จำปรรษาตลอดไตรมาสคือสามเดือนไม่นหนีไปที่ไหนแรมบันแรมคืนแม้จะออกจากวัดไปก็ต้องให้อารุณขึ้นเป็นวันใหม่รู้ได้อย่างชัดเจนว่าเป็น สว่างขึ้นมาเป็นวันใหม่แล้วแล้วค่อยออกจากวัดนี้ไปถ้ายังไม่สว่างออกไปก็ไม่พ้นโทษหรือขาดปัญษาจนได้อันนี้ก็ทราบกันในหลักพระวินัยท่านอธิบายไวชช้ชัดเจนอยู่แล้วยึงไม่จำเป็นจะต้องอธิบายอะไรมากมายการอยู่จำปัญษา หรือออกปรรษาไปในครั้งพุทธกาลท่านถืองานสำคัญได้แก่งานจิตพภาวน า, ไ ม, ไ, านไม่ใช่งานไม่ใช่งานรื่น ร, ร่อนร่อนทะเทถลไหลงานไปเที่ยวสร้างนั้นสร้างนี้ยุ่งนั้นยุ่งนี้รบกวนประชาชน ญ, ญาติโยมอย่างนั้นไม่ปรากฏในหลักธรรมสำหรับตำราท่านมาี ต่างคนต่างได้เห็นได้อ่านได้ดูส่วนมากต่อมากมีแต่ไปเที่ยวประกอบความภาคเพียรอยู่ในป่านั้นเขานั้นถ้านั้นเงื้อมผานั้นสถานที่ใดเป็นที่สงัดวิเวกท่านย่อมเสาะแสวงหาที่เช่นนั้นเพื่อเพื่อประกอบความภาคเพียรทางด้านจิตใจ ที่เรียกว่าจิตตภาวนามีพระครั้งพุทธกาลท่านดำเนินอย่างนั้นให้เป็นเนื้อเป็นหนังจริงๆเป็นลากเงาเข้อมูลหรือเป็นแก่นเป็นสารของพระศาสนาจริงๆในงานของพระที่กล่าวเหล่านี้นี่แหละงานของพระในครั้งพุทธกาลที่สำเร็จงานขึ้นมาก็มาเป็นสนธนะของพวกเรา ให้เด้กกราบไหว้บูชาท่านมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงบำเพ็ญงานพิจารนาดยูถึงหกปีผิดถูกประการใดนั้นก็เป็นเรื่องของพระองค์ซึ่งไมไ่้รับการแนะนำสั่งสอนจากผู้ใดผิดบ้างถูกบ้างเป็นธรรมดาดังที่เราเห็นในตำหนับตาราแต่ก็ไม่พ้นที่พระองค์จะได้ตรัสรู้ธรรม เป็นศาสดาเอกของโลกขึ้นมาด้วยกิตตภาวนาคือภาวนาอนาปานสติในคืนวันเดือนหกเพนและได้ตรัสรู้ในคืนวันนั้นนี่ศาสดาของเราท่านได้ตรัสรู้ด้วยการบำเพ็ญกิตตภาวนาทมได้ปรากฏเด่นขึ้นในโลกขณะที่พระพุทธเจ้า ตรัสรูนั้นจนกระเทือนไปถึงสามแดนโลกธาตุก็เพราะได้บรรลุจากยิตะภาวนาและธรรมสว่างกระจางแจ้งขึ้นมาเพราะยิตะภาวนาเป็นผู้เบิกทางนี้เป็นผู้ผขุดค้นขึ้นมาให้ธรรมนี้ปรากฏแก่โลกพระสงฆ์สาวกก็เช่นเดียวกันเมื่อ ได้ยินได้ฟังจากพระพุทธเจ้าแล้วด้วยความสนใจใคร่ต่ออัตอธรรมและใคร่ต่อความบุญพ้นจากทุกข์อย่างเต็มหัวใจอยู่แล้วพราได้ยินได้ฟังอัตธรรมจากพระพุทธเจ้าเช่นพระเบงกอวะคีทั้งห้าเป็นต้นเพราะท่านเหล่านี้เป็นผู้ส่อแสงหาทางออกอยู่แล้วเป็นแต่เพียงว่ายังไม่ ได้เห็นหนทางที่พอจะออกเพื่อความพ้นภัยได้เมื่อพระพุทธเจ้ามาเปิดทางออกให้ดเวเมพิคุยันตาตบบายิเตนันาเซวิตบานเป็นต้นเพียงเท่านี้แล้วก็ยกมัศิมาปฏิปทาขึ้นนอกจากทาง สองแยกคือแยกซ้ายแยกขวาถ้าจะพูดตามความแยกของเร า, าอัตากิรมาฐานโยกกามมาทุขานิการนโยกทั้งสองอย่างนี้ไม่เป็นประโยชน์แล้วจัดมัชฌิมาปฏิปทาให้เข้าสู่ศูนย์กลางแห่งทางสองแยกนี้ตรงแนวเข้าสู่อริยสัพทุกสมุทัยนิโรธมักนั่น ได้ตรัสสรุปธรรมขึ้นมาพระัญญาโกณทัญญาเป็นปฐมมสาวกในเบื้องต้นเมื่อพระองค์ได้ทรงแสดงทั้งฝ่ายผิดแสดงทั้งฝ่ายถูกมีมัิมาปฏิปทาเป็นสำคัญให้เป็นที่เข้าใจแล้วพระัญญาโกณทัญญาได้บรรลุธรรม เป็นปฐมมรรคในขั้นเริ่มแรกขึ้นมาถึงกับเปลงอุทานขึ้นมาว่ายัางจริยสมุดายธรรมังสับบันตังนิโรธธรรมในปริยัติท่านแสดงไว้เรียบๆว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมเป็นดับเป็นธรรมดา <c oughs> แต่พระอัญญาโกณทัญญะ ที่ได้สะดุดหรือได้เจอธรรมเรียกว่าอริยธรรมประจับในหัวใจแล้วย่อมจะอดเป็นความตื่นเต้นขึ้นมาภายในใจไม่ได้ถึงกับว่าได้เป็นอุทานนั่นคำว่าอุทานต้องเป็นความสะดุดกันอย่างรแรงเราอยากจับพูดว่า สิ่งใดก็ตามเกิดแล้วดับทั้งนั้นนี่คือความถึงใจของผู้ที่รู้ธรรมเห็นธรรมเป่งอุทานขึ้นมาย่อไม่เป่งธรรมดาเรียบเรียกก็เป่งขึ้นมาด้วยความสะดุดตื่นเต้นแล้วก็ไปรับกันที่พระพุทธเจ้าทรงเป่งพระอุทานรับพระอญญาโกลหะยะในวาระสุดท้ายด้วยว่า อัญญาชิวัตโภกุลนันโยอัญญาชิวัตโพคุพระอัญญากนัญญาได้รู้แล้วหน่อยรู้หน่อ ย, น, อ ย, น, อ ย, น, อยนี่ก็ถึงพระไทยของพระองค์เหมือนกันว่าได้สักขีพยานแล้วในเบื้องต้นคือพระอัญญากนัญญาถึงว่าพระอัญญากนัญาได้รู้แล้วหน่อยรูยห้หน่อยนี่ยมพระอุทานเังไม่ได้พูดธรรมดาเราคำว่าอุทานต้องเป็นสิ่งที่ ส, ดสะดุดหรือตื่นเต้นผิดธรรมดา นีท่านผู้หวังความบุดพ้นจากทุกข์ที่หวังความจริงอยู่แล้วย่อมเข้าใจและหาทางออกโดยทันทีไม่ชักช้านางพระัญญาโกนณยะหรือเบนจวัคขีทั้งห้าเป็นสำคัญนีท่านเหล่านี้เป็นผู้หาทางออกอยู่แล้วพอพระพุทธเจ้าเปิดทางออกให้เท่านั้นก็ดีดผึงออกไปเลย เนสังขังสนังขฉามิของพวกเราจะมีจำนวนมากเพียงไรก็ตามให้พึงทราบว่าสังขังสนังขฉามิเหล่านี้นั้นได้สำเร็จขึ้นมาจากกิตตภาวนาเป็นสำคัญไม่ได้สำเร็จขึ้นมาจากกิจอื่นงานใด ที่จะให้เหนืองานจิตตะพอนาคือการบำเพ็ญตนเพื่อชำระที่เลยภายในจิตใจนี้จนถึงกับที่เลดจางลงไปจายลงไปแล้วสิ้นจากทิ่เลดจิตใจสว่างเจ้าขึ้นมาด้วยความบริสุทธิ์มีมุดพระนิพพานนั่นเป็นสาระของท่านอย่างเต็มที่แล้วก็กลายมาเป็นสาระของชาวพุทธทั้งหลายจนกระทั่งปัจจุบันนี้ ท่านดำเนินด้วยกิตตภาวนาเป็นสำคัญหลักศาสนาธรรมที่แสดงไว้อย่างเด่นชัดสำหรับมิกษุบริษัทนั้นท่านแสดงทางด้านกิตตภาวนามากกว่าด้านอื่นใดตามตำหนับตำลามีอย่างนั้นเพราะฉะนั้นท่านจึงเป็นพระที่ทรงมรรคทรงผลทรงทำอันเลิศภายใน จ, ใจิตใจ นับแต่พระพุทธเจ้าลงมาถึงพระสาวกองค์สุดท้ายแล้วและเป็นสาวกมาโดยลำดับลำดาหลังจากพระพุทธเจ้าปริพานแล้วไม่หยุดหย่อนบรรลุธรรมอยู่เรื่อยๆองค์นั้นบรรลุธรรมอยู่ในที่นั้นในเขาลุงนั้นในป่านั้นในอิริยาบถนั้นด้วยความภาคเพยยียรคือยิตตภาวนากันทั้งนั้น ยิถาภาวนาจึงเป็นรากฐานสาคัญของศาสนาด้วยมีอริยสัจเป็นรากแก้วอันสําคัญหรืเป็นแก่นเป็นแกนอันสําคัญของาศาสนาธรรมหรือของพุทธศาสนาแห่งพระพุทธเจ้าของเราการภาวนาก็คือการบําเพ็ญสติปัฏฐานโอ้สติปัฏฐานก็ดีอริยสัจสีก็ดีให้มีความชํนานิชํานาญ คล้องแทวในธรรมทั้งหลายอันเป็นเครื่องบุกเบิกสิ่งที่เป็นก้าศิษซึ่งเป็นอริยสัตรอริยสัตเช่นเดียวกันคือทุกสมุทัยสัตทุกขษัตสมุทัยสัตต์นี่เป็นฝ่ายผูกมัดนี่เป็นฝ่ายบีบบังคับนีอเป็นฝ่ายชั่วมา มีศีลสมาธิปัญญาหรือว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปรตจนกระทั่งถึงสมาสมาธินี่เป็นฝ่ายชำละซักฟอกเป็นฝ่ายบุกเบิกเพราะฉะนั้นการภาวนาจริงต้องได้นำธรรมเหล่านี้เข้าไปติดแนบอยู่กับใจโดยสม่ำเสมอไม่เลือกว่าอริยาบทใด ต้งหมายถึงขณะจิตเป็นสำคัญสำหรับผู้ที่ดำเนินเพื่อความบุกพ้นจากทุกข์โดยถ่ายเดียวแล้วจะไม่มีการสถานที่หรือเอียบบทใดมาสำคัญยิ่งกว่าความจดจ่อต่อเนื่องด้วยสติกั บ, บจิตใจของตนที่ถูกถ่าสึกบีบบังคับอยู่ตลอดเวลาได้แก่กิเลสประเภทต่างๆ เพราะนั้นความเพียรอย่างน้อยจริงต้องมีสติติดแนบไปจนได้ปัญญาในเบื้องต้นคิดเป็นครั้งเป็นคราวแต่สตินี้ติดแนบตั้งแต่ต้นแห่งการบาเพ็ญเราจะบำเพ็ญบริกรรมภาวนาเพื่อสังรวมจิตใจของเราซึ่งเคยฟุ้งซ่านมาเพราะอำนาจของกิเลสนั้นให้เข้าสู่ความสงบ ด้วยบทธรรมอันเป็นเครื่องกล่อมใจหรือผูกมัดใจให้สงบมีคําบริกรรมเป็นสําคัญเราจะบริกรรมในคําใดก็ตามสติต้องติดแนบอยู่กับคําบริกรรมนั้นสติติดแนบอยู่กับคําบริกรรมใดความรู้คือจิตนั้นย่อมจะติดแนบอยู่ด้วยกันจะ ก, กําหนดอนาปานาสติไม่บริกรรมคําใดก็ต้องถือลม เป็นเครื่องหมายที่เกาะทิตของจิตโดยสม่ำเสมอด้วยความมีสติอีกเหมือนกันนะสตินี่ก็ก็คือองค์มรคนั่นเองสัมมาสตินะ่เมื่อสติมีความติดแนบอยู่กับใจก็เท่ากับเป็นการรักษาใจที่จะคิดไปในแง่ต่างๆยอมเป็นการกระเทือนสติที่ตั้งที่คอย ที่รอรู้อยู่แล้วรับรู้อยู่แล้วให้รู้สึกตัวรู้สึกตัวแล้วหักห้ามในความคิดตั้งหลายที่ไม่ควรจะคิดไม่ควรจะปรุงนั้นๆไว้ได้ด้วยอำนาจของสตินี่จนใจมีความสงบเยือกเย็นได้เมื่อใจสงบได้ใจย่อมมีความสุขได้ใจย่อมมีที่ยับยั้งตัวเองได้ ไม่ตเตลิดเปิดเปิงจนหาที่เกาะที่ยึดไม่ได้ถูกไฟคือกิเลสเผาไหม้ไปตลอดการแห่งความคิดความปรุงความปรุงทั้งหลายถ้ามีสติแล้วจะไม่เป็นอย่างนั้นจิตย่อมยับยั้งตนได้เข้าสู่ความสงบจนได้ ไม่มีอะไรนอกเหนือจากสตินี้ไปในขั้นเริ่มแรกก็ดีขั้นกลางขั้นละเอียดก็ดีสติจริงเป็นพื้นฐานอันสำคัญในการบำเพ็ญภาวนาแม้แต่กิจอื่นใดก็ตามจะพ้นจากสตินี้คอยกำกับหยุมไม่ได้สติจริงเป็นของสำคัญเว้นไม่ได้ในกิจการทุกอย่างไม่ว่ากิจนอกการในนี่ยิ่งด้วย เป็นเรื่องภาวนาด้วยแล้วยิ่งเป็นของสำคัญมากที่สติจะต้องติดแนบตลอดเวลานี่้วความเพียรที่เรียกที่ว่าลำบากลาบากก็เพราะกิเลสมันรุนแรงมันผาดมันโ ผ, ผล่อยู่ภายในหัวใจของสัตว์โลกย่นเข้ามาก็คืออยู่ในหัวใจของผู้ปฏิบัติบำเพ็ญเพื่อความดุดพ้นจากทุกมีภิกษุปิปัทหรือว่าเราเป็นสาคัญนี่ มันผานผาโผนโรตเต้นอยู่ภายในจิตใจมานานเท่าไหร่การหักห้ามการต่อสู้การคัดค้านต้านทานจึงต้องได้ใช้สติและใช้ความเพียรพยายามทุกแง่ทุกมุมที่จะเป็นเครื่องช่วยกันที่เรียกว่าความเพียรรวมตัวเข้ามาสู่สติไม่ขาดวักขาดตอนนี้จึงต้องได้รับความลำบาก ในขั้นเริ่มแรกแห่งการบําเพ็ญแห่งการบําเพ็ญเพียนคําว่าลาบากก็เพราะกระแสของกิเลสมันรุนแรงต้องได้หักห้ามหรือต่อสู้กันอย่างหนักไม่ใช่เราต่อสู้กับสติไม่ใช่เราต่อสู้กับปัญญาไม่ใช่เราต่อสู้กับความเพียรไม่ใช่เราต่อสู้โดยความทุกข์ยากเฉยแต่เป็นความทุกข์ยาก ทกิเลสผิดขึ้นมาต่างหากด้วยเหตุนี้ผู้ประกอบความเพียรในขั้นเริ่มแรกจึงต้องหนักงวงหรือใช้ความหนักห่วงในทางความเพียรความภาคความเพียรเป็นอย่างมากนั่นเพราะอํานาจของกิเลสมันรุนแรงนี่สติต้องได้หอมตัวเข้ามาเสริมกําลังเข้ามาตั้งอยู่เรื่อยๆใช้ ความพยายามอยู่เรื่อยๆท่านเรียกว่าความเพียรอดก็อดเพื่อต่อสู้กิเลสไม่ใช่อดเพื่ออะไรพิจารณาก็พิจารณาเพื่อให้รู้ช่องรู้ทางของทางออกทางเข้าของกิเลสมันออกไปในแง่ใดมุมใดไปว่านเอาสิ่งที่เป็นพิษเป็นภยัยมาจากเรื่องอันใดเนี่ยเข้ามาแล้วเป็นอย่างไรบ้างกิเลสไปว้านเอา สิ่งลามกจกเปรตทั้งหลายเข้ามาสู่ภายในใจแล้วเป็นอย่างไรบ้างนะปัญญาใช้ก็ต้องใช้อย่างนั้นแล้วเมื่อเราทราบก็ต้องได้ใช้ต้องมีความเช็ีหลาบไปโดยลำดับไม่ฝืนคิดสิ่งที่เป็นภัยดังที่เคยเป็นมาแล้วอีกงดเว้นไปโดยลำดับด้วยการต่อสู้กันเพราะจิตอยากคิดจิตอยากรู้อยากเห็น จิตอยากได้ยินได้ฟังซึ่งส่วนมากแล้วอยากจะพูดว่าร้อยทั้งร้อยในขั้นเริ่มแรกมีแต่ความอยากเพื่อเป็ น, ป, นปืนเป็นไฟมาเผาใจทางนั้นเพราะฉะนั้นผู้ที่จะปัดไฟออกจากตนด้วยความภาคความเพียรแล้วจึงต้องได้ใช้ความเพียรอย่างหนักสติก็ตั้งอย่างไม่ลดนะ ความเพียรความอดทนทุกด้านจึงต้องได้โ้มตัวเข้ามาสู่กิเลสประเภทความอยากอันเป็นของสำคัญที่จะล่วไหลออกภาย่างตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแม่ที่สุดธรรมารมซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจก็เต็มไปด้วยความอยากจึงต้องได้ใช้ความเพียรอย่างหนักนี่ขั้นเริ่มแรกเป็นเช่นนี้นี่นี่ท่านเรียกว่าภาวนา ให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายทราบเอาไว้ท่านผู้ที่จะสังหารทุกข์ต้องสังหารกิเลสซึ่งเป็นต้นเหตุอันสำคัญภายในจิตใจนี้ด้วยความเพียรในทางมรรเพียรเฉยเฉยเพียรไม่ถูกทางมรร ก, ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรมรรคทันเดียวมรรคขัด สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปปก็คือปัญญาเนี่ยสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโมโวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธินี้ล้วนแล้วตั้งแต่เรื่องของมักที่จะรวมกำลังเข้าสู่ความคล่องตัวคือปัญญาสติ มีความแก้วกล้าสามารถปัญญามีความฉล า, าดแหลมคมแล้วจะสามารถตัดกิเลสไปได้โดยลาดับลาดาอยู่ภายในใจของตนเองแนวใจของเราก็จะปรากฏเป็นความสว่างสวตยขึ้นมานี่เรื่องภาวนาเป็นอย่างนี้นี่ท่านเรียกว่าภาวนาชาระสิ่งที่เป็นข้าศึกอยู่ภายในใจของเราออกเพราะฉะนั้น ท่านผู้บำเพ็ญทำประเภทเพื่อรื้อถอนทั้งรากเงาเข้ามูลมันจนหมดสิ้นไปจากใจรากเงาเข้ามูลของกิเลสประเภทต่างๆจนกระทั่งถึงอวิชชาให้หมดสิ้นไปจากใจจึงต้องได้ใช้มักอย่างเต็มที่ทีเดียวมักอ่อนกิเลสจะมีกําลังมากกว่า สมุทัยมีกำลังมากกว่าก็แก้กันไม่ตกจึงต้องสั่งสมสั่งสมมากขึ้นให้มากความเพียรตั้งมาหยุดเพียรด้วยสติมีสติรู้เท่าถึงความคิดความปรุงของตัวเองรู้เท่าความเคลื่อนไหวของตาหูจมูกลิ้นกายซึ่งเป็นทางเดินของจิตออกมาจากภายในสู่รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสส่วนมากมีแต่สิ่งเป็นภยัยให้รอบคอบต่อตอนเอง อย่างหยาบคือว่าไม่ควรดูไม่ต้องดูนั่นบังคับเอาไว้ไม่ให้ไม่ให้ดูไม่ให้เห็นไม่ให้ได้ยินในสิ่งที่เป็นภยัยหักห้ามเอาไว้นี่ก็ก็เป็นการต่อสู้กันวิธีหนึ่งก็ย่อมเป็นทุกข์เพราะรกิเลสบูนไปข้างหน้าธรรมะถุดลากย้อนเข้ามาข้างหลังเพราะธรรมะก็หวังชัยชนะกิเลสมันก็เป็นไปตาม อำนาจของมันที่เคยตัวและมีอำนาจมากภายในใจิตใจมานานแสนนานจึงไม่ได้ยอมธรรมะเอาง่ายๆนี่เองที่ได้ต่อสู้กันอย่างหนักในขั้นเริ่มแรกก็เป็นอย่างนี้เนี่ยการปฏิบัติทำ <c oughs> ท่านผู้ที่สิ้นจิเลศท่านอยากเข้าใจว่าท่านไม่ทำอย่างนี้ผู้ที่ง่ายก็ยกไว้เป็นประเภทหนึ่ง เป็นอุคติกันอยู่ผู้ที่รู้ได้อย่างรวดเร็วเราก็เห็นในตำลับตำลาดังที่ท่านแสดงไว้ว่าสุขาปฏิปทาคิ ป, ปาพิญญาทั้งปฏิบัติสะดวกทั้งรู้ได้เร็วนั่นเป็นผู้ที่พร้อมแล้วที่จะรู้จะเห็นที่จะผ่านไปได้อย่างรวดเร็วถ้าเดินทางก็จวนจะถึงบ้านแล้วถ้าข้ามแม่น้ำก็จวนจะถึงฝั่งแล้วนั่นมันต่างกันอย่างนี้กับผู้ที่อยู่ทางฝั่งนี้ กับผู้ที่อยู่ห่างจากหมู่บ้านที่ตนมุ่งหวังไปตั้งเมื่อทราบว่ากี่สิกี่ร้อกิโลมันต่างกันอย่างนี้แม้จะไปทางสายเดียวกันก็ตามผู้ที่อยู่ระยะใกล้ชิดติดกับบ้านที่ตนจะถึงนั้นก็มีผู้ที่ห่างไกลกว่า น, นั้นก็มีห่างอยู่ที่ต้นทางนู้นก็มีนี่การปฏิบัติของผู้บําเพ็ญทั้งหลายจึงต้องมีความเดื่อมล้ําต่ำสูงต่างกัน เราอย่าเอาเรื่องของท่านที่ง่ายที่สุดนั้นมาใช้กับเรื่องของเราที่ยากที่สุดมันเข้ากันไม่ได้กิเลสของท่านมีน้อยกิเลสของเรามีมากสติปัญญาของท่านมีมากสติปัญญาของเรามีน้อย <c oughs> ความเพียรของท่านเด็ดความเพียขรของเราอ่อนแออย่างนี้มันเข้ากันไม่ได้อย่าเอามาเทียบเคียงกันยกไว้เป็น ประเภทประเภทของท่านผู้บำเพ็ญมาซึ่งมีความเหลื่อมล้ำต่างสูงต่ำสูงหรือหนักเบาต่างกันเรายากขนาดไหนให้พึงทราบว่ากิเลสของเรานี้มันกําลังดือ้อเมื่อกิเลสของเรากําลังดือ้อกําลังต้านหารสู้ต่ออัตอบธรรมแล้วเราจึงต้องทุ่มทำให้หนักมือลงไปเพื่อกิเลสจะได้อ่อนกําลังลงไปนี่ชื่อว่าเป็นการปฏิบัติถูกต้องตามจริตนิสัยของตน ไม่ผิดไม่พลาดไม่อาจไม่เอื้อมเอาเรื่องของท่านที่ง่ายๆได้ได้ง่า ย, ไ ด, ายได้นั้นเข้ามาเป็นเรื่องล้างมือเปิ้จะเป็นความผิดหวังตลอดไปผู้บำเพ็ญทั้งหลายมีทั้งยากมีทั้งง่ายดังที่ท่านว่าสุขาปฏิปทาคิ ป, ปาพิญญาท่านผู้ปฏิบัติทั้งสะดวกทั้งรู้ได้เร็วก็มีทุกขาปฏิปทาคิ ป, ปาปิญญา ปฏิบัติลำบากแต่รู้ได้เร็วก็มีนี่ยทุกขาปฏิบัติธาทันทาปัญญาทั้งปฏิบัติลำบากทั้งรู้ได้ช้าก็มีเนี่เราอยู่ในประเภทใดแห่งการบำเพ็ญของเราเราอย่ากยกไปเทียบไปเคียงกับท่านผู้ใดในธรรมเหล่านี้ไม่เป็นสิ่งที่จะเอาไปเทียบเคียงเพราะจะไม่เกิดประโยชน์อะไรจากเราเากับความเทียบเทียงนั้นเว้นแต่นาไป เทียบเียงแล้วเป็นคติเครื่องเปรียใจของตนขึ้นมานั่นเป็นธรรมนั่นควรเทียบเคียงแต่ความหนักความเบานี้เราอย่าไปถือท่านผู้สะดวกสบายมาเป็นความสะดวกสบายสำหรับเราทั้งทั้งติกิเดชยังหนาแน่นผาดโผนอยู่มากภายในใจปัญญาเท่าแสงหิ่งห้อยก็ไม่มีเราอย่านำมาเทียบปัญญาของเราเพียงเท่านั้นต้องได้ใช้สติปัญญาจัตตาความเพียรเอายางหนักหนักก็หนักเถอะ หนักในการประกอบความภากเพียร น, นี้ไม่หนักเท่ากับเราไปจมอยู่ในแดนนรกมีกัปกี่กันอะไรเลยอันนั้นนานแสนนา น, น, น, านทุกแสนทุกทรมานแสนทรมานเอนแต่เพียงว่าเราไม่ทราบเราจึงดื้อด้านหารทำในสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายเพื่อจมลงในแดนนรกนั่นนันอีกไม่หยุดยั้ยงนี่เรียกว่าจิตใจ มันดื้อด้านเพราะกิเลสพาให้ดือ้อกิเลสปิดบังเอาไว้ก็ใสเราไปเราก็เป็นผู้สอนง่ายเพราะกําลังน้อยนิดเดียวจะไปต้านทานกิเลสได้อย่างไรยิงต้องเป็นไปเช่นนั้นนีความทุกข์ในการประกอบความเพียร น, นี้จะทุกมากอะไรนักหนาไม่ได้มากเลยทุกในการต่อสู้กับกิเลสนี้สาระนักของพวกเราท่านเคยทุกเคยผ่านมาแล้วด้วยกองทุกเหล่านี้เหตุใดจะมี ความทุกข์จะพาะเราผู้ประกอบความภาคเพียงเพียงคนเดียวรายเดียวนี้เราคํานึงหรือไม่ว่าสาวกทั้งหลายนั้นประเภทที่ยากลําบากท่านมีจํานวนเท่าไหร่มากยิ่งกว่าประเภทที่ง่ายนั้นเป็นจํานวนมากทีเดียวไม่ใช่มากธรรมดามากเอาเสียอย่างมากนะท่านทําไมท่านผ่านไปได้ทางผ่านของท่านก็คือการต่อสู้หนักก็เอาเบาก็ไม่ถอย ถึงระยะที่หนักเอายอมรับว่าหนักถึงระยะที่เบาก็ทราบว่าเบาเดินหรือก้าเดินไปตามสายทางอ น, นั้นจะยากลําบากหรือง่ายเพียงไรก็เป็นสายทางที่จําเป็นซึ่งเราจะต้องเดินด้วยกันนี่นิเวศ ข, ของเรามันมีความหนาแน่นขนาดไหนเราจะเอาความเพียรมาเพียงแบบล่างมือเปิ่อยล่างมือเปิ่อยอย่างนั้นตายทิ้งเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรจึงต้องได้ใช้ความเพียรพยายาม หนักเท่าไหร่ก็หนักเถอะความความทุกข์ด้วยความเพียรเพื่อการแก้กิเลสสังหารกิเลสนี้ไม่ใช่เป็นทุกข์ที่จะทําให้เรามีความล่มจมเหมือนไปตกนรกหมกไหมยอยู่นั้นทั้งล่มทั้งจมทั้งทุกข์แสนสาหัสทรมานขี่กลับกี่กันก็ไม่พ้นจากนรกได้เนี่อันนี้เราเพียงประกอบความภาคเพียรในชีวิตของเหล่านี้เอาตายเข้าว่าเลยขีเส้นให้เลยว่าลมหายใจนี้ยังมีอยู่ มากน้อยเพียงไรเราจะต่อสู้จนกระทั่งสิ้นดมหายใจกับกิเลสทั้งหลายไม่มีคําว่าถอยเอาทุกข์ก็ทุกข์ไปโลกเคยทุกข์เราทุกข์อย่างอื่นก็ทุกข์มามากแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรเท่าที่ปวดแต่ทุกข์อันนี้ทุกข์เพื่อผลประโยชน์อันมหาศาลทําไมเราจะไม่ยอมสละตัวเพื่อความทุกข์ต่อสู้กับกิเลสนะอันเป็นผลเลิศเลอซึ่งจะเกิดขึ้นข้างหน้าโดยลําดับธรรดาเพราะความต่อสู้ของเรา เราต้องใช้ยี่ทีนี้มีการประกอบความภาคเพียรก็ให้ทุกท่านได้ยวจำเอาไว้ถ้าเราอยากเห็นเหตุเห็นผลเห็นความสัตย์ความจริงเห็นความประเสริฐเลิศ เ, เลอหรือเห็นความภูมใิมใจของเจ้าของแล้วจงดำเนินตามหลักศาสนธรรมของพระพุทธเจา้า เฉพาะ อ, อย่างยิ่งคือกิตตภรนาเป็นสําคัญที่จะหเห็นมักเห็นผลดังพระพุทธเจ้าและสาวกตั้งหลายท่านได้รู้ได้เห็นแนละประกาศทำสอนโลกเลื่อยมาจนงทางปัจจุบันนี้มีตั้งแต่ท่านเห็นแล้วท่านถึงสอนทั้งนั้นทำเหล่านี้ไม่ใช่ทำโมฆะเป็นธรรมที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยทุกสิ่งทุกอย่างจากความรู้จริงเห็นจริงของพระพุทธเจ้าพูดปฏิบัติ ด, ดําเนินตามนั้นจะไม่เป็นอื่น เราจะเป็นผู้ทรงมรรคทรงผลโดยไม่ต้องสงสยัยถ้าได้ดำเนินตามหลักศาสนาธรรมที่พระเจ้าทรงสอนไว้เพราะาศาสนานี้เป็นาศาสนาที่เต็มด้วยมรรคด้วยผลด้วยนิพพานความสิ้นจากกิเลสอาสวะประเิเุตประเภทต่างๆจนกระทั่งสิ้นจากกิเลสโดยประการทั้งปวงก็ไม่นอกเหนือไปจากศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งมีอริยสัจเป็นธรรมประกัน ดำเนินตามหลักอริสัตนี้แล้วจะเห็นชัดเจนทำรรที่ธันมะเลิดประเสริฐขนาดไหนจะพุ่งขึ้นในแล้วทํากลางแห่งอริยสัตย์คือทุกสมุทัยนิรวดมากโดยไม่ต้องสงสัยนั่นน่ะวิสุธทธิธรรมวิสุทธิที่จิตเพราะอาศัยมรรคปฏิปทามีสติปัญญาศรัทธาความเพียนเป็นสาคัญชําระสักกอกไม่หยุดไม่ถอยแล้วก็ผ่านพ้นขึ้นมาได้ กลายเป็นผู้ทรงมากส่งผลให้เห็นประจักษ์อยู่ในเศทศของเราอยู่ในเวลาที่เรายังมีชีวิตอยู่นี่แหละเพราะธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมที่ให้ที่ทรงไว้ซึ่งมากซึ่งผลให้เห็นประจักษ์กับผู้บําเพ็ญไม่เป็นอื่นนี่เป็นสิ่งสำคัญมากแลการประกอบความเพียรให้สังเกตประโยคพยายามของตน ดังที่เคยอธิบายให้ฟังแล้วเดินจงกรมเดินมากเป็นอย่างไรนั่งภาวนามากเป็นอย่างไรแต่สําคัญที่สตินะเดินมากก็ให้มีสตินั่งมากให้มีสติจะอดนอนผ่อนอาหารต้องเป็นเรื่องของสติติดแนบติดแนบทั้งนั้นเองจะเรียกว่าความเพียรได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยถ้าขาดสติไป ไปมากน้อยก็ไม่จัดว่าเป็นความเพียรจะเป็นเพียรในท่าใดก็ไม่ค่อยเกิดผลเกิดประโยชน์และเอาคาแน่นอนไม่ได้เพราะสติขาดไปถ้านั่งก็มีสติเดินจงกรมก็มีสติเอียบททั้งสี่มีสตินั่นชื่อว่าเป็นผู้มีความเพียรตลอดเวลาและยิ่งนั่งภาวนาที่จะเอา จิงเอาจังต่อกันแล้วสักทีจึงเป็นของสําคัญมากทีเดียวนี่เหตุมีผลอย่างไรจะแสดงขึ้นมาให้เราเห็นในเวลานั่งนั่งนานเป็นยังไงไม่ใช่นั่งทนเฉยๆนะนี่ได้เคยอธิบายให้ฟังมามากต่อมากแล้วนั่งต่อสู้นั่งค้นหาเหตุหาผลเหตุผลนั่นแหละคืออัดคือทำรรแล้วจะไปเจอกิเลสอยู่ในวงแห่งเหตุผลนี้จนได้ แก่กันกแก้ที่ตรงนั้นค่ากันก็ค่าที่ตรงนั้นจนได้ไม่เป็นอย่างอื่นี่ให้สังเกตในการประกอบความภาพเปลี่ยนเดินเราอย่าไปคํานึงถึงไม่ร่ำเวลามีสติทุกอาการเดินนั้นเป็นอาการอันหนึ่งเป็นความเปลี่ยนแปลงของเอียบทตรของเราเพื่อความสม่ำเสมอเคลื่อนไหลไปมาสม่ำเสมอเรื่องตามเรื่องของธาตุของขันประการหนึ่ง การหนึ่งการเดินจงกรมนี้ก็เป็นความกระตุกจิตใจของเราเคลื่อนไหวเป็นความเคลื่อนไหวที่ให้กระเทือนจิตใจของเราได้แปลกๆต่างๆ mm hmm. เหมือนกันเพ mm hmm. ราะฉะนั้นการเดินจงกรมจึงเป็นท่าแห่งความเพียรท่าหนึ่ง mm hmm. ก็ให้มีสติเป็นสําคัญเดินมากเดินน้อยสติติดแนบอยู่นั้น นั่งก็เหมือนกันนี่เราพูดถึงขั้นเริ่มแรกของสติและขั้นต่อไปสติก็สำคัญจงกระทั่งวาระสุดท้ายสติยิ่งกล้าสามารถถึงกับที่ท่านพูดว่ามหาสติมหาปัญญาคือเป็นตัวของตัวเต็มที่แล้วสามารถจะฟัดฟันกับพิเดศได้ทุกประเภทไม่มีข้อยกเว้นเลยลงได้สติได้ ก้าวขึ้นสู่ความเป็นมหาสติความเมเป็นมหาปัญญาแล้วกิเลสมีเท่าไรพังลงพังลงโดยไม่ต้องสงสัยแต่ที่มันยังไม่ถึงขั้นนั้นเราต้องได้ใช้ความพยายามให้เต็มเมตเต็มหน่วยอา้าวให้ได้ส่งสิสมาธิท่านสอนไว้เนี่ยตำหรับตำล่านั้นสอนไว้จากความที่ท่านรู้แล้วเห็นแล้วท่านได้มาแสดงไว้ได้ประจดใจลึก ความจริงจากท่านมาไว้ในตำราให้เราทั้งหลายได้อ่านทั้งสมาธิทั้งปัญญาทั้งวิมุตต์หลุดพ้นตลอดถึงความภาคเพียรในแง่ต่างๆท่านแสดงไว้ในตําหนับตำราทั้งนั้นเและให้นําเอาเรื่องราวทั้งหลายจากสําหรับตํารานั้นเข้ามาประกอบกับตนเข้ามาใช้ในตัวของเราความเพียรเพียรอย่างไรท่านสอนไาอย่างไรนํามาใช้สําหรับเราให้มีความเพียรดังที่ท่านว่าไว้นั้นเนี่ย ชาติท่านสอนให้มีมก็ให้มีภายในใจของเราสมาธิท่านสอนไวในน้ในนู้นในหนังสือในตำรับตำราก็ให้ปรากฏเป็นองค์สมาธิขึ้นมาที่ใจของเราสมาธิกลายเป็นสมบัติของเราขึ้นที่ใจของเราปัญญาปรากฏเป็นสมบัติขึ้นที่ใจของเราจนกระทั่งนิมุติหลุดพ้นปรากฏขึ้นที่ใจของเรานี่คือว่าเป็นผู้สรงมากส่งผล ทรงความจริงไว้เต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่ใช่ทรงแต่เพียงความจําความจําคือการศึกษาเราเรียนมาเราจําได้อันนั้นเป็นความจําใครเรียนก็ได้เรียนวิชาไหนก็จําได้ไม่ว่าวิชาทางโลก ท, งทงางธรรมเพราะเป็นความจํามันเป็นธรรมดาเท่าๆกันหมดถ้าเราไม่นํามาปฏิบัติเมื่อเรียนเข้าแล้วเอามาปฏิบัติแล้วลึกรู้ตามเรียนพินิษฐ์พิจารณาตามเรียนนั่นก็เป็นวงก็เป็นความปฏิบัติ แทรกกันไปแทรกกันไปถ้าสักแต่ว่าเรียนเฉยๆจาได้โดยจากการเรียนเฉยๆมันก็ไมิดอะไรกับวิชาแขนงต่างๆของโลกที่เขาเรียนกันเพราะฉะนั้นความ จ, จําจริงยังไม่เกิดประโยชน์อะไรเท่าที่ควรจึงต้องอาศัยความจํานั้นแลมาเป็นแบบเป็นฉบับเป็นเขิมทิศทางเดินแล้วก้าวเดินตามนั้นนั่นท่านเรียกว่าภาคปฏิบัติเมื่อภาคปฏิบัติได้ปรากฏหรือได้แสดงขึ้นกับตัวของเราแล้ว ผลคือปฏิเวทความรู้สมาธิทําไมจะไม่รู้นี่ก็เริ่มเป็นปฏิเวทในสมาธิในความสงบขึ้นไปโดยลําดับจนกทั่งปัญญาแล้วสุดท้ายก็วิมุตติพ้นเป็นปฏิเวทธรรมเต็มเม็ดเต็มหน่วยขึ้นไปตั้งแต่ขั้นเริ่มแรกนี่เลยนั่นท่านเรียวกว่าความจริงนี่คือมาเจอที่หวัวใจของเราเองว่ากิเลสประเภทใดก็มาเจอกันในวงความเพียนของเราเอง แคกิเลสประเภทใดได้มากน้อยก็มาเจอกันที่ความเปลี่ยนของเราเองความเปลี่ยนของเราเองจงกนกระทั่งกิเลสมุดไปสิ้นไปมากน้อยเพียงไรก็ประจักษ์ในความเปลี่ยนของเราภาในใจของเราเองจงกนกระทั่งกิเลสหลุดพ้นไปกิเลสสินส้นซากไปหมดไม่มีอะไรเหลือหยุดได้ถึงขั้นมุดหลุดพน้นก็เจอที่ใจของเราเองใจของเราเป็นตัวเองนี่ท่านเรียกว่ายิปฏิเวธธรรมผลปรากฏขึ้นจากปฏิการปฏิบัติ การดำเนิน น, นี่แหละศาสนาที่ทรงมากทรงผลต้องให้ปฏิบัติตัวของเราให้สมควรแก่การทรงมดทรงมากทรงผลตามหลักศาสนาธรรมแต่เพียงแต่ว่าเราก็เรียนมาเฉยเฉยไม่สนใจคือปฏิบัติมันก็ไม่มีมากมีผลก็มีแต่ความจําเต็มูุงคําว่าราคะตันหาวัคกิเลสประเภทต่างๆมันก็มีอยู่เช่นเดียวกับคนที่เขาไม่เรียนอัดเรียนทำนั่นมันไม่ผิดแปล ก, กันอะไร ถ้าเป็นภาคปฏิบัติแล้วผิดภาคปฏิบัติได้รู้ได้เห็นเป็นลําดับลําดานแล้วรู้ชาเจียรเียรตเคยมีมากจะลดตัวลงไปมากน้อยให้เห็นชัดชัดลงไปไม่ว่ากิเลสประเภทใดจะลดลงภายในจิตใจให้รู้ประจักษ์กับใจของเรานั่นแหละนั่นแหละจึงเรียกว่าภาคปฏิบัติเมกระทั่งนกิเลสได้สิ้นซาลงไปก็จากภาคปฏิบัติไม่เป็นอย่างอื่นแล้วก็กลายเป็นภาคที่ทรงมากทรงผลขึ้นมาภาษา ท่านทรงมรรคทรงผลด้วยการปฏิบัติชั้นใดเราปฏิบัติดังท่านก็ย่อมเป็นผู้ทรงมรรคทรงผลได้เช่นเดียวกับท่านไม่เป็นแง่ที่สงสัยเพราะธรรมะเป็นอากาลิโกไม่ว่าสมัยนูน้นไม่ว่าสมัยนี้ธรรมะนี้เป็นเครื่องปราบกิเลสได้ทั้งนั้นท่า น, นํามาปราบนอกจากจะปล่อยให้กิเลสปราบเอาเสียลาบครับเท่านั้นเองก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนั่นขอให้ทุกท่านแนําะนำไปปฏิบัติตในวัน ข้าวัรราแล้วกับการทุดงขวัดก็ดังที่เคยปฏิบัติมาแล้วผู้ที่ยังไม่เคยก็มีเพราะมาอยู่ใหม่ก็มีก็ให้เพิงทราบว่าตั้งแต่เมื่อเช้านี้มาจนกระทั่ง อ, อกบรรษานู้นเป็นอย่างน้อยการบิณฑบาตจะรับแต่ที่เขาถวายมานนอกเขตวัดไปเท่านั้นเข้ามาในวัดแล้วก็ขัดทุดงข้อนี้ข้อ อาหารตามส่งนี้ก็ไม่รับแล้วการรับแล้วการขนอะไรออกจากบาทยาไปกัางบนอย่าไปสนใจให้สมกับที่ว่าผู้มักน้อยต้องการแต่เพียงน้อยๆ้อยเบญบาทได้มาโดยลําพังที่เจ้าของเบญทบาทด้วยกำลังปีแข่งของตนนี้เท่านั้นไม่หวังอะไรมากมายิ่งกว่านี้เมื่อเป็นเะนั้นการเบญธบาทด้วยวิธีการ ด, ด้วยความรู้ความเหม็นความ มุงหมายของตนอย่างนี้แล้วเจงไม่ควรกังวลกับสิ่งใดเอา้าออกจากบาทตรโขข้าจะขนไปไหนผลไปแล้วไม่ต้องยุ่งว่านั้นเป็นจานนั้นนี่เป็นชามนี่ของท่านนี่เป็นของเราทําให้ยุ่งอันนี้มันขัดแย้งกันกันกบตรงข้อนี้ยังเป็นความห่วงความห่วงความเสีดายอยู่ไม่ใช่ผู้มักน้อยผู้มักน้อยเอา้ามีเท่าไหร่อยู่ในบาทนั้นเท่านั้นพอเท่านั้นนี่เระเป็นความเหมาะสมกับผู้ต้องการความมักน้อยรับแต่ของที่เขา ถวายมาในบาทนี้เท่านั้นออกจากนั้นไปแล้วไม่ยุ่งมันจะมาขัดจะเป็นความมากๆขึ้นแทรกกับความมากน้อ ย, น, ยนั้นโดยที่เราไม่รู้สินี่ให้พากันเข้าใจเอาไว้อย่าไปยุ่งเหยิยงวุ่นวายมานั่นเป็นของใครนี่เป็นของใครยุ่งอันนี้เลยเป็นยุ่งยิ่งกว่าผู้ไม่สมทานตรงซะอีกนะแล้วคิดเรื่องเหล่านี้นั้นจึงสมชื่อสมนามว่าเราเป็นผู้มากน้อย มีอะไรเท่านั้น่ะในบาทรนี่อะไรเขาจะเอาไปไหนไปเถอะไม่ยุง่งนั่นย้ำให้ดีนิ่งเป็นสิ่งที่ถูกต้องดีงามทั้งต้นทั้งปลายเข้ากันได้สนิทถ้าแบ่งยุ่งเหยิงวุ่นวายกับนั่นเป็นของใครนี่เป็นของใครยุง่งนี่เข้ากันไม่ไดนะ้และขายิ่เล็กความห่วงความใหความห่วงแล้วกายเป็นความรู้มากจากผู้ที่มักน้อยไปซะอีกนี่ยิ่งไม่น่าดูเลยให้พากันต่ําอาไว้ อย่าไปยุ่งกับจึงนอนนั้นาการแสดงธรรมก็วันนี้ยังสุขวัลเนื่อยวันนี้พูดมากไม่ก็ได้เอาละพอเพราะมันเทศจะไปพูดมาสักกี่วันห้าวันนี้แล้วตั้งแต่วันศุกร์มามเนื่อยเขาเหนื่อยนะ่อวันนี้ฝืนไปนั่นนะตอนนี้ยังไม่มีอะไรที่จะออกมาเป็นอัดเป็นธรรมให้เต็มแม่เต็ม ห, มหมน่อยธรมาอย่างนี้แหละท้าทันไปนี่แ่ละ ถ้าลงท่าขันไม่เอาแล้วก็อย่างว่าเอาคนขับนี่มันจะดีขนาดไหนก็ตามเถิดลงรถมันโปรเกเตร์สียอย่างเดียวแล้วอยู่อันนี้มันก็เหมือนกันรถคือลรถท่าขันท่ามันท่าขันมันพอมีมันจะพุ่งพุ่งพุ่งพุ่งมันมันไม่ได้เหยียบคันเร่งอันนี้มันเหยียบคันเร่งอันนั้นพุ่งพุ่งถึงเลยต้องได้เบรกไว้ไม่งั้นมันพุ่งมันเต็มกําลังมันเต็มต่างกันนะพลังของทำออก โดยมีช่องทางออกให้ได้เต็มเม็ดเต็มหน่อยไม่มีอะไรมาขีดมาขวางแล้วมันก็พุ่งพุอันนี้ธาตุขันมันขวางหน่อยวันนี้ก็เหนื่อยทั้งวันวันนี้เหนื่อยมากจริงๆนะเพราะทั้งวันเลยอันนี้ก็เหนื่อยอันนี้ก็มาเทอนี้มันก็เลยไปไม่ได้ถูไทยแปลเพราะวันนี้เป็นวันเข้าพรรษา เพือ่อนได้รู้เรื่องการปฏิบัติในเวลาเข้าพรรษาสำหรับวันนี้ปฏิบัติยังไงคําว่าวันนี้ก็ไม่ได้หมายถึงว่าวันนี้ได้นอกเหนือจากหลักธรรมหลักวินัยไปวันนี้เคยปฏิบัติยังไงเพราะวัดอื่นอาจไม่ปฏิบัติก็ยังมีนี่จะว่าไงนี่ลราเทียบกันอย่างนี้อาจปฏิบัติไปอย่างใดอย่างหนึ่งข้อดูลงข้อใดข้อหนึ่งก็ได้ไงแต่วันนี้ปฏิบัติอย่างนี้อย่างนี้ก็นํานี้มาชี้แจงให้เพื่อนทราบใครเห็น okay. ตั้งหน้าต่างตาอย่ยาจะสนใจกับอะไรนะ ให้เป็นพระที่ทรงมกักทรงผลดังที่พูดนี่สอันนี้มันแต่น่าสล ด, ดสังเวยแน่ณเวลานี้โอ้ยอย่ยินตามอย่าเห็นตามนันที่ผิวหน้าแล้วนะมันจะจะกะอักเลือดออกมาโน่นเนี่ยทุเลศนี่แหละโลกมันหยาบเป็นอย่างนี่ยมันมีอํานาจมากอย่างเนี้ยดูเอามันตีตลาดน่านเลยไปได้หมด ไม่ว่าในวัดในวาในพระในเนินที่นอนหมอนมุ้งนิสัยก้าหาันและองค์ไหนนั่งตรงนี้ น, ะนั้นชันอาหันไม่สวยงามนะองค์หนึ่ ง, นน อ, ง, ง, งองค์นี้มีมองไปองค์นี้่ะองค์นี้ตอนเช้าแล้วองค์หนึ่งทาง น, นูนฉันอาหารอ้าปากเคี้ยวอาหารไม่น่าดูฮุกปากาดิฟุดนะ ถ้าลงกินกันยังไม่ถูกอยู่แล้วไม่นั่งดูอยู่แล้วจะเอาอะไรให้ถูกพดีมองไปมันขวางตา ม, มองเวลาไหนขวางตา ม, มัน น, นั้นฉันจังอันเคี่ยวอาหารอ้าปากเป็นเหมือนคราว่าเขาเพราะวา่าเขามีสมบัติผู้มีสมบัติผู้ดีนี่ยังสวยงามกว่าพระองค์ประเภทนั้นจะองค์อย่างนั้นเสอีกเนี่ยฉันมันมีแบบไม่มีสติ เที่ยวอะไรอะไรอ้าปากเที่ยว ด, ดูแล้วไม่น่าดูเลยการเจี้ยวที่เหมาะสมก็หุบ ป, ปากเที่ยวอยู่ภายในเอาอะไรเข้าไปก็มีสติอยู่กับตัวพระเป็นอย่างนั้นพระกรรมฐ า, านพ้ารูกศีทธาโคตรมีสติทุกสิ่งทุกอย่างทางโั้นก็มีเรามองไปความสวยงามอย่างเพียงการฉันียั ง, ยางหาความสง่างามไม่ได้ทาไม แล้วแถวบริเวณนี้ดังที่เคยพูดนะใครจะมารวมย่ำย่ำแถวนี้นะเป็นเพลินพั น, น, น, น, นี้ไม่ได้นะแล้วยิ่งตอนเช้าขอล้างตัวล้างจานนั้นด้วยแล้วเป็นพันพันัน้งพระตั้งเนนสับปนวุ่นวากันไม่ได้นะอย่าให้เห็นนะเลยบอกพระชัดเต็มทีแล้วถ้าเห็ น, นแม้ในปัญหาเราก็ไม่สําคัญความผิดนั่นแหะมันจะทําให้กระเด็นออกไปเพราะจำภาษาไม่ได้จําเพื่อความเป็นอย่างนั้นนี่นั่น ความเป็นอางั้นมเป็นความผิดนี่นั่นแหละมันก็เดินออกจากวัดได้นะเดีในวัดไมนบอกเพราะนั้นไม่ใช่เรื่องของธรรมเป็นเรื่องเป็นเรื่องของของขุนเป็นเรื่องของโทษของความผิดได้บอกไว้แล้วเนี่เพราะาเราพูดจริงระเทศสอนหมู่บ้านะ่ะผมเทศด้วยความเต็มอกเต็มใจด้วยความเห็นโทษเห็นขุนจริงๆผมไม่ได้เทศธรรมดานะแบบลอยๆไม่ใช่ยกยอเจ้าของนะมันเป็นอยู่ในหัวใจจริง ไม่ว่าเทศแบบเรื่องโทษเรื่องคุณนะเพราะมันป ร, ปรากฏอยู่ในหัวใจนี่หมดแล้วสิ่งเหลนี้ที่ดูตั้งแต่อย่างที่ว่าประกอบความเพียรจนไม่มีวันมีคืนไม่หยุดไม่หย่อนมันทําไมมันถึงไม่หยุดมันไม่มีสาเหตุที่จะให้มันหมุนมันจะหมุนได้ยังไงนั่นสาเหตุมันก็มีสองโทษมันก็ทําให้ทหําให้ตะเกียรตะกายหลีกให้พ้นได้เนี่ยคุณก็เป็นเหตุที่ก็หยิ่มยิ้มย่องที่จะต้องคว้าให้ติดมือจนได้นั่น สองอย่างนี้มีกำลังมากขนาดไหนนั่นนะมันทําความเพียกให้หมุนเตี้ยวๆนะลงก็เห็นกันไปแล้วมันใครจะไปหานได้วะวิเวทมันเป็นอะไรไงเวลาไม่เห็นไม่ไม่เห็นจริงๆนี่นะไม่รู้ว่ามันเป็นโทษเป็นอะไรนี่แต่เป็นตัวของตัวสมบูรณ์เลยอะไรๆตัวอะไรๆเป็นเราสมบูรณ์เลยวิเวทมันมาเป็นเรานี่สืสําคัญจึงไม่เห็นโทษเพราะวิเวทมาเป็นเรา นี่พอมันแยกออกด้วยสติปัญญามันรู้ชชาติขี้เด็เป็นขีเด็เ ร, เราเป็นเหล่านั่นนั่นแหละที่นี่มันก็เห็นโทษของกันและกันเลยทีทำกับมอนกันมันมันถึงใจถึงใจทั้งโทษทั้งคุณแล้วมันอยู่ไม่ได้ไม่ว่าใครละ่ะอือจะอยู่ได้ไหห ง, หงหนุ่มดิวดิวใครจะไปกล้าไปหานแต่สิ่งที่เป็นไผ่บะ <S <S วันนี้อากาศอบอ้อาวมากเลยนะเมื่อฝนจะต ก, กก็ไม่ตก ี่ต่อไปผมก็กลัวมจะเทศไม่ได้เหมือนกันเคยพูดในหมู่เพื่อนตอนังแล้วสัญญาสัญญาขันที่ทำงานมันกุดมันด้วนมันขาดรักขาดตอนไปการเทศแม้สัญญามาช่ยาย อ, อะไรมาช้ายสังขารสัญญาเสียงก็ออกจากรูปธาตุกองรูปธาตุขันเรามันดี การเทศก็สะดวกในเสียงอันนี้ความจำเนียสังขารยับออกมาเป็นสังขารความจำจับแล้วหลุดตกหลุดตกไปแล้วมันจะ อ, อะไรมาติดมาต่อกันพอให้เป็นถ้อยเป็นความนะนั่นนะเป็นแล้วเ น, นี่ยผมเบบนี้ยิ่งมีข้อเปรียบเทียบเช่นอย่างชั้นชั้นใดฉันนั้นเลยแล้วไปอันเดียวหายเงียบไปเลย แม้แต่พูดที่มันเกี่ยวโยงกันเพื่อนเป็นบทสนธิบทสมาธอะไรมันอยนี้ท่านหมามันมันยังไม่จบอยงนี้นะเพราะมันเป็นสนธิมันหรือสมาธมันเกี่ยวโยงกันแล้วก็เป็นอะไรบทคุณบทอะไรนี่นะมันเป็นบทที่จะเกี่ยวโยงกันถึงนั่นเท่าไหร่แ้วก่อนนะนี่ยังไม่ถึงเลยมันขาดแล้วเนี่ยสัญญาอันเป็นอย่างนี้มันเดี๋ยวนี้มันมันความจําเนี่ยมันไม่ได้ นีผมฟังผมเทศอย่างจังการเทศกันไหนกันสุดท้ายนี่หมันมันยังมีผมมันได้พูดขึ้นมานั่นมันลืมแล้วเพราะเพเราลืมแล้วหายเนี่ยตกไปแล้วอันนี้มันก็เลยอามาปฏิบัติต่อกันไม่ได้ด้วกว่ามันลืมเงิ่นต้นจะเอามาต่อกับเงื่อนปได้ไงเมื่อเงินต้นลืมไปแล้วนั่นนี่สำคัญนี่ว่าต่อไปนี่มันจะเทศมาได้นะ เทศที่ที่เทศผ่านมาแล้วนี่มันก็ดีทุกกันสำหรับเทศสัมภรณนะมันเป็นคติได้เป็นอย่างดีอย่างนี้ทุกกันเอาเทศไปฟังผมเองฟังยังผมฟังผมทุกคืนนะทัศนาพูดผมไม่ถือว่าเป็นธรรมของผมผมทํางานผมทําหน้าที่แทนพระพุทธเจ้าทาาัศนาที่ผมแสดงธรรมธรรมเป็นธรรมของพระพุทธเจ้านั่นผมความรู้สึกผมมันไปอยู่ตรงนั้นเพราะงัผมถึได้ฟังได้เต็มเม็เต็มน่อย บางการนี่สะดุ้งเหมือนกันไปโยนหนักแล้วก็ยิ่งๆจะของแลมันต้องอย่างนี้พอดีนักนเวลามันหมุนมันพลิปมันอะไรเรื่องทาเรื่องที่เหล็กมันฟัดมันเหี่ยงกันในจานวนเทนาๆกานเราะว่าถึงถึงจะเผ็ดร้อนแล้วก็เผ็ดร้อนเนครับนะมันเผ็ดร้อนเนถังมันมันอะไรที่คิดถึง มันรู้สึกวมันเพลินน ะ, ะฟังเพลินแล้วก็เป็มเพรามันเป็นธรรมะด้วยมันเพลินคือฟังแล้วมันยังมวนหนึ่งอะไรจะฟังจบตันนี้มาฟังอยู่มันก็ยังดีอีก น, นี่นีหาฟังอยู่ระยะไหนกันนี่เขาฟังอยู่ชุดเตรียมพร้อมการอ๋อเตรียมพร้อมนะคะอืม